ในวันนี้นะ่ะเป็นวันธรรมสวนณะเป็นวันพระแรงแปดข้ามเดือนเก้าเป็นปัจจุบันยสมัยคือโอกาสบัดนี้นั่นวันพระเป็นวันที่เราจ ะ, จะแสวงหาพระวันิจิตใจเจริญตะกรรมมาฐานรักษาอุโบสถทศิล โดยเฉพาะท่านอุบาโกปฏิกาก็ตามและท่านผู้ใคร่มสัมมาปฏิบัติมาเจริญสักรรมฐ า, านเพื่อให้เกิดความรู้และความคิดต่องการให้เกิดสติปัญญาการเจริญกรรมฐ า, านมีความสำคัญอยู่ที่ความรู้และความคิด มาปฏิบัติธรรมรักษาบโบสดศีลต้องการเพิ่มความรู้และเพิ่มความคิดเพิ่มสติปัญญาพวกเราทุกท่านอันนี้นับว่าเป็นประโยชน์ประจำชีวิตทุกท่านทุกท่านทุกลูกนามด้วยกันในวันพระธรรมชมะัะอย่าได้ลดละภาวนาที่เราตั้งอธิษฐานเจตมาวัน เข้าวัดศาลแลดูฝนในวันพระเข้าวัดศาถวายผ้าอาบน้าฝนถวายในวันแรมค่ำอธิษฐานปังษาก็ถวายผ้าจำนาบังษาแทนในวันออกปังศา่อเป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์องค์เนมากมายหลายประการ แต่แล้วลวเราก็อธิษฐานเข้าวัษาเหมือนกันว่าเข้าวัษาปีสามเก้านี้แล้วเป็นปีการจนาพิเศษเราจะเล่นงรัดสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตามความสา ม, มารถของท่านทั้งหลายอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของท่านพุทธบริษัทและพุทธศาทิกชนผู้ยินดีปีดารับ ออกไปปฏิบัติธรรมเราเป็นชาวพุทธรับไว้เพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อให้กิจกรรมให้เกิดความรู้ซึ้งเกิดความรู้เข้าใจและเกิดความคิดให้เรามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถในการปฏิบัติงานดูชอบรมสัมปาซ้ามาปฏิบัติให้ได้รับมรรคผล ในวันทำเทวนาของตอนเช่นในกล่าวมาแล้วณขณะ น, นี้ท่านพุทธบายจัดทั้งหลายโหลดขวนขวายในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่ในวันนี้เป็นตน้นการปฏิบททัติธรรมของท่านก็จะได้รับผลเริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหว้พระตามระดับที่ที่นี้เสร็จแล้ว แล้วก็ยึดมั่นตั้งมั่นในการบำเพ็ญศีลเจริญกุศลภาวนารับธรกรรมฐานไปใส่จิตเพื่อใช้ชีวิตเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดไม่เกิดแหน่งแขลงใจไม่มีไรลังเลสงสัยต่อไปจากการปฏิบัติให้เกิดความคิด เรามีสติปัญญาสามารถการปฏิบัติชอบในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่นั้นวันนี้ก็จะแสดงบรรยายธรรมรื่ว่าการเจริญกรรมฐานทําให้เกิดความรู้เจริญกรรมฐานทําให้เกิดความทึ่ทําให้กระตุ้นเตือนจิดให้สแสบแส้กวางเพื่อต้องการเรี้ยงรัดพัฒนาชีวิต เราจะได้ไม่าพาทิีิตในชีวิตต่อสังคมต่อไปในโอกาสข้างหน้านั้นจึงได้ขอพี่แจงแสดงธรรมะบรรยายเกี่ยวกับความรู้และความคิดต้องการให้่านยึดมั่นในสติสัมปชัญญะมีกรรมฐ า, านจเจริญสติปะัะฐาสี่เป็นอุดมการที่ดีสุดไ ป, ปดังนั้นขอพุทธบุตรัตว์ทั้งหลายตรง สร้างโสดารปรสาตห์ดูดธนะพัธนทองรองรับธรรมบรรยายก็ขอท่านจงสนใจตั้งใจฟังสืบต่อไปณโอกาสบันนี้ขอจเจริญพรเจริญสกโดยทั่วกันณบัดนี้ต่อนี้ไปขอให้ท่านตั้งขบวนานาจิต ตั้งสติสัมปชัญญะที่เรารับกรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสี่กายนุปัชนาสิติปัฏฐานต้องการให้เรามีสติอยู่ที่กายในสภาวะุูให้มันชัดเจนต้องการจะให้จิตมีสติสัมปชัญญะอยู่ในนามเรียกว่านามธรรม เป็นการสร้างคือจรรมให้เกิดประโยชน์ของตอนจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นมีความคิดเพิ่มขึ้นไม่งงไม่คลือไม่งมงายมีแต่จิตใจโสดแสงสว่างในธรรมจะไม่เป็นคนงมงายและซื้อและซือและสะหมายความว่าท่านมีสติปัญญาสัมปชัญญะแล้ว มันก็จะได้เกิดปัญญาภาษาทะเวทนาก็ตามต้องกําหนดตั้งสติ <c oughs> มันก็จะเกิดความรู้ในเวทนาเกิดความคิดในเวทนาแล้วเกิดตั้งอยู่ดับไปถึงจะรู้จริงว่าเวทนานี่มันปวดเมื่อยทั่วสวกลกายแค่ไหนแต่การได้เราก็จะรู้คํานวณการว่าเนี่ยมันปวดขนาดนี้ มันเจ็บขนาดนี้แต่แล้วเราจะได้มีสติมีสัมปชัญญะเรียกว่าองค์ภาวนาปวดหนอปวดหนองมีทั้งสติมีทั้งสัมปชัญญะเกิดอะไรขึ้นมาเกิดความรู้รู้เวทนาของตนกองความคิดโดยมีสติสัมปชัญญะสามารถแยกเวทนาออกเป็นสาดส่วนได้แยกคิดได้ ลูกกันนามก็แยกกันไปไม่ผสมประสานกันโดยบัญญัติแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนมากเพราะฉะนั้นการเจริญสักรรมฐ า, านเนี่ยเป็นการสร้างสรรธรรมะไว้ในจิตทำให้เราเกิดความรู้ความคิดเกิดสติปัญญาได้สมหมายปรารถนาทุกประการมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติธรรมมากมายหลายอย่าง ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอย่ยที่ท่านมาปฏิบัติธรรมท่านมีความประสงค์อันใดแตนมีจุดหมายกลายทางประการใดบางท่านพุโทโธมาพูดบอกว่าพุโทโธมานานแล้วทําไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงพุทธโทเนี่ยตมาทํามาต้องสิบปีเนลยเจริญ น, นาปาแล้วเราให้ใจเข้ารู้ให้ใจออกรู้ก็เหมือนพุโทโธแต่เรามีสติ จับไว้ที่ทองของหนอยึกหนอเป็นต้นก็อันเดียวกันแต่ไปทำสับสนในเมื่อท่านทั้งหลายทำสับสนแล้วท่านจะไม่ได้ผลท่านจะไม่ได้ความรู้ที่มันเกิดด้วยปัญญาท่านจะไม่ได้ความคิดเกิดด้วยปัญญาเป็นต้นความรู้เกิดด้วยปัญญาถึงจะถูกต้องไม่ใช่ความรู้ไปอ่านหนังสือแล้วก็มีความรู้แต่ไม่ปฏิบททัติธรรม ท่านจะรู้ไม่จริงท่านจะรู้จอมปลอมรู้ไม่แน่นอนท่านจะไม่มีความคิดที่ถูกต้องเพราะการเจริญพระกรรมาฐานต้องการมีความรู้ซึ้งรู้เหตุรู้ผลรู้กดแข่งรรมของตนได้สามารถจะแก้ปัญหาในความรู้อันนั้นออกมาเป็นเอาออกมาเป็นความคิดความคิดนี้นะ่ะได้มาจากสติ ปัญญาของตอนได้จากความรู้นั่นเองความรู้จะได้มีผลเป็นเหตุความคิดก็จะได้เป็นผลงานสมปรารถนาวัตถุประสงค์ก็คือตัวปัญญาจะได้หลอกรู้ในกองการชั้งขานท่านจะอ่านตัวออกท่านจะบอกตัวได้ท่านจะใช้ตัวเป็นอยาจะเห็นตัวตายได้ตายคือดับ ร่างกายชั้งขาดนี่ไม่กีรังย่างเยินกับประการใดก็ต้องมีแกรมีเจ็บมีตายอยู่กันทั้งนั้นแล้วก็จําต้องกล่าวว่าต้องคลาดพลาดจากันไปไม่มีวันจะพบกันอีกต่อไปแล้ ว, ลวท่านจะเอาอะไรมาเป็นหลักเดี๋ยวก็พุทโทเดี๋ยวก็ละหงังเดี๋ยวก็อิปิปีโสเดี๋ยวก็อย่างโน้นอย่างนี้รับรองกี่ปีแล้วท่านถึงจะได้ผลท่านจะสับสนไปเกินไปไน ปฏิบัติให้มันถูกหลักปฏิบัติให้มันถูกทางเพื่อการเจริญมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นข้อปลายต้องการให้เรามีสติในสมาธิต้องการให้เรารู้ตัวในสมาธิจิตมันถึงจะมัน่นจิตถึงจะมั่นคงจิตจะได้ไม่ละลวมเลียวไหลจิตท่านจะได้ดำลงไปสู่จุดมหมายของการงานและหน้าที่ ท่านจะเกิดความรู้จากการทำงานท่านจะเกิดความคิดจากใช้ชีวิตต่อการงานและหน้าที่ของท่านท่านจะแก้ไขปัญหาได้สมปรารถนาทุกประการนี่แหละเป็นผลจากการเจริญปะกรรมฐานไม่ใช่มาวันเดียวมาโคนมาบอกมาวานขออยู่วันหนึ่งได่ไหมวันเดียวท่านจะได้อะไรแร่มาคุยกันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลย นักภาษาอะไรจะอยู่สักเจ็ดวันแค่วันเดียวท่านก็ไม่ได้เลี่ยงได้ลาวแล้วกลับไปก็เปลียงเวลาเสียเวลาท่านมากเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเสียเวลามาเพื่อได้บุญกุศลจะได้รู้จะได้ความคิดจะได้รู้ซึ้งในจิตใจของท่านเองจึงจะได้รู้ว่ามันคิดเรื่องอะไรทูกผิดประการใดแตนจะได้จากการเจริญะกมามฐานนี่แน่นอน ความคิดมันอยู่ที่สติแต่คาดสติไม่กำหนดจิตความคิดท่านจะหลิวแหลกแตกลานจะคิดเข้าข้างตัวเองตลอดรายการไม่คิดด้วยความถูกต้องคิดด้วยเหตุผลท่านจะเป็นอกุชลและกรรมท่านจะไม่ได้อะไรที่ตัวไปดังกล่าวแล้วเช่นเดียวกันท่านพุทธบริษัททั้งหลายอุบาสกปฏิบาติ อยู่หนุ่งขาวห่มขา ว, ว, ขาวที่ท่านมาปฏิบัติทำขอให้ปฏิบัติอย่างจริงจังขอให้ปฏิบัติให้ได้ผลขอให้ได้อันดัสองเป็นผลงานของชีวิตนแีแหละท่านทั้งได้ทั้งความรู้ได้ทั้งความคิดได้ทั้งมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้แน่ถ้าไม่เข้าล็อกนี้จุดนี้แล้วท่านจะไร้ผลท่านจะมาปฏิบัติให้มันเสียเวลาไป โดยที่เดินตรงๆนั่งถูกบ้างไม่ถูกบ้างเดินถูกบ้างไม่ถูกบ้างคิดถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วท่านจะได้อะไรในเวทนาที่มันเกิดขึ้นบังคับบัญชาไม่ได้จิตก็บังคับมันไม่ได้จะบังคับได้อย่างไรแต่ปัญหาเอากรรมาฐานก็ไปผูกให้จิตมันอยู่เอากรรมาฐานไปผูกให้จิตมันมีปัญญา เอากรร ม, มาฐานไปผูกให้จิตนั้นมันเกิดความรู้ซึ่งรู้เข้าใจรู้เหตุรู้ผลรูล้สิ่งที่เป็นประโยชน์ของชีวิตในจิจประจําวันนั้นการจะได้ประโยชน์จากผ้าปฏิบัติมากไม่ใช่มาจิ้มจีนดำจามกันวันของวันแล้วกลับไปว่าได้มีโอกาสมาเจริญกรร ม, มาฐานแต่ทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยปฏิบัติโดยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเอาอยาฟูธโท เดี๋ยวเดินพุโทโธแจกเดี๋ยวก็พุโทโธเห็นพุโทโธเห็นพุโทโธเห็นเอยากจะเห็นเทวดาอยากจะเห็นนิมิตเลยท่านชลาดผิดเสียดายเสียใจด้วยท่านจะไม่ได้ดวงปัญญาท่านจะไม่ได้ดวงสติดวงสัมปชัญญะท่านจะไม่ได้ธรรมะอยู่ที่จิตอยู่ที่กายทั้งท่านท่านควจะไายเหตุผลท่านจะไม่มีอเนกสง์ในการปฏิบัติธรรมแน่นอนที่สุด นี่เพราะปฏิบัติผิดปฏิบัติไม่ถูกทางแล้วท่านจะได้อะไรยามะบนไม่ได้ไม่ใช่วางง่ายนะแต่ก็ไม่ใช่เป็นของอยากเท่าไรนะไม่ง่ายยากแต่ท่านตั้งใจปฏิบัติจริงการจะทีนน่น้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยท่านจะไม่คุยกันแล้วท่านจะต้องได้ผลจริงชายก็จริงหญิงก็แพ้ ที่แน่เลยก็คือคนแต่ที่นาบูชาเคารพนับถือ้าที่แน่ก็คือชายจริงหญิงแท้ที่แน่นอนกว่านั้นก็คือผู้มีปัญญาอุรอบรู้ในเหตุผลทอเชื้จริงรู้บาปบุญคุณะโทษซึ่งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เท่านั้นท่านจะรู้ออกมาอย่างชัดแต่ท่านไม่รู้ตรงที่กล่าวแล้วท่านจะเสียดายเวลามานั่งคิด ปฏิบัติผผิดถูถูกแถมเดียว อ, อย่างโน้นบางอย่างนี้ไม่ได้ผลตาอย่างโน้นต่ออย่างโน้นไม่ได้ผลตาอย่างโน้นต่อท่านอยู่ี่ร้อยปีแหละไม่เป็นลูกโซ่คล้องแล้วคล้อยตามไม่เป็นข้อโซ่แต่ประการใดต้องปฏิบัติโดยต่อนเนื่องและปฏิบัติให้ถูกด้วยถ้าปฏิบัติผิดแล้วท่านจะไม่ไดผลอันนี้ส์ก็จะไม่ได้แต่ท่านทั้งหลายทุประการ ออกมาอย่างนี้เป็นผลงานของท่านการจเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการให้จิตนี้นะ่ะมีปัญญามีความรู้มีความคิดตองการเอาจิตของท่านนี้ให้เกิดแสงระว่างส่งมรรคมันคาเดินทางจะได้ไม่พลาดพิษชีวิตจะแจ่มใสทำอะไรก็ได้ผลที่มาเป็นปฏิบัติมากๆนั้นไม่ได้ผลเป็นจำนวนมากเป็นที่น่าทิดายเวลาเหมือนกัน เพราะท่านไม่จริงจังไม่ได้สร้างฐานะที่มีเหตุผลเลยเลยปฏิบัติผิดปฏิบัติตามอารมณ์ตามใจโตตามตัวใจต้นเอาอย่างไงก็ได้เลยก็ปฏิบัติตามชอบไม่มีกรอบขอบเขศของธรรมะเลยธรรมะก็ไม่ถึงระดับอยู่ในจิตใจของท่นานได้ไหนเลยแล้วความรู้ท่านจะเกิด ความคิดจะเกิดความรู้ที่ได้จากภาวนาเรียกว่าความรู้ไม่ต้องอ่านหนังสือมีตัวมันจะเกิดขึ้นเองโดยสติปัญญาพงตอนเรียกว่าปัญญามีเะเพาะตนปัญญามีจะเพาะตัวเท่านั้นไม่ใช่หมายความมาคนอืน่นเอาปัญญามาให้เราได้เราต้องสร้างเราต้องทำมันถึงจะเป็นผู้มีปัญญาได้ การที่เราเรียนรู้หนังสือใครก็เรียนทันกันทั้งนั้นแต่การปฏิบัติทาให้จะทันกันไม่ได้แต่คนไหนมีความเพียรมากมีวิริยะอุตสาหะพยายามมากขึ้นมันก็ได้ปัญญามากขึ้นคนที่ขาดวิริยะขาดความเพียรแล้วปัญญาก็ไม่เกิดกระเสดก็ไม่ได้ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาเราได้ นี่ตรงนี้ขอฝากไว้ในวันธรรมสวนสดิ์ธรรมสวณ น, นี่คือเดี๋ยวก็วันพระเผลอไปหน่อยวันพระอีกอเดี๋ยวอีกไม่ช้าป็ะวันพะระแลมที่ผ้าคลุจะซึ่งเดือนต่อไปแต่นี่เดือนแป๊าอาจจะเป็นเดือนขาดอาจจะสทุ่นีเป็นจาติดตระโศก็ได้ลองดูปฏิทินให้มันแน่นอนนี่บางทีก็วันพระ เจ็ดวันบารพะหกวันผาขึ้นเดือนไปหนึ่งวันคือเดือนาดแล้วก็ต้องเคี้ยวเวลาไปหนึ่งวันเหมือนกันนะแต่ทัวงกันนั้นเดือนข่ากับเดือนเต็มก็เท่ากันมันอยู่ที่ตัวปฏิบัติบางคงก็บอกวันพระเล็กวันพระใหญ่อาตมาก็ถามเมื่อวันพระเล็กกับวันทะใหญ่มันต่างกันเหนือต่างตามใจ วันพระเล็กมันเป็นยังไงแปดข้ามเรียกว่าวันพระเล็กการที่ทา้ามเร็วกว่าวันพระใหญ่การปฏิบัติของท่านน่ะมันใหญ่หรือมันเล็กมาเล็กที่มันใหญ่ก็แค่เดิมมันเนี่ยไม่มีอะไรดีไปกว่าเดิมแหมวันพระใหญ่ก็มาทําบุญมันพระเล็กไม่มาวันพระใหญ่ค่อยมาปฏิบัติกรรมฐานวันพระเล็กไม่มา เล็กหรือใหญ่มันเท่ากันที่ตัวปฏิบัติแต่ใครปฏิบัติได้มันก็เท่ากันหมดถ้าหากว่าวันพะติดผ้าข้ามเป็นพระใหญ่เราก็มาวัดว่าถือว่าทําบุญวันพระใหญ่แต่ไม่เคยเจะเล่นกรรมาฐานมานั่งคุยกันมานั่งมีทากาันโชคคนที่มาวันพะเล็กไม่ได้แต่ข้าก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมาฐานไม่พู่กับใครเลย กินน้อยนอนน้อยพูดน้อยทำความเพียงให้มากในวันทำบุญสันมาณะนั้นก็ฉะนั้นก็ขอสรุปจาความวาวันชะเท่ากันหมดเวลาก็เท่ากันหมดไม่มีลากลานเลโยโยมไปเรียกตกัวเองว่าวันนี้วันพระเล็กโทรมาหาตมาวันนี้มันชาบมึดบอพ่อคะวันพะนี้ฉันไม่ได้ไปวัดนะวันพระเล็ก เอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดเอาอะไรมาวัดว่ามาเล็กมันใหญ่เอาอะไรมาวัดมันมีเครื่องวัดถึงจะรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงถึงจะสาเร็จเราเข้าใจเข า, าเขาองแล้วคนนี้เขาา้าใจยังไงฮะโอมันเท่าออกันนะนัะ่นเวลาเท่าออกันหมดไม่มีลักลานไม่มีเหลื่อมน้ําต่ําสูงแต่ใครหนอ จะใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้เกิดประโยชน์และคุ้มพาว่ากันมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่กล่าวแล้วโทรมาเยอะวันนี้บอกว่าฉันไม่ได้มาแล้วนะวันนี้พระเล็กวันพระนาวจะมาเพราะมันหย่ใหญ่ก็เล็กมันก็เท่ากันไม่เคยปฏิบัติธรรมจะได้อะไรจะได้อะไรหรืไม่ได้เลยท่านสาธุชนทั้งหลาย การปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยมันเพิ่มพลังความรู้เพิ่มพลังประสบประการของชีวิตเพิ่มให้เรามีสติปัญญาทฉิีฉลาดสามารถแก้ปัญหาได้ไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่โผล่มาเป็นคนโง่คนคลึกงมงายตัหาไม่ได้คนที่มีสติปัญญาเขาไม่งมงายเขาจะเชื่อเหตุเชื่อผลเขาไม่เชื่อคนพูดเขาจะเชื่อโดยพิสูจน์ซะก่อ ถาพิสูจน์ด้วยตนเองด้วยการเจริญกรรมฐานมาพิาสูจน์จิตใจของตนเองนั่นแหละถึงจะถูกต้องถึงจะรู้ว่าเรามีปัญญาหรือไม่มีปัญญาแต่แล้วเราเจริญกรรมฐ า, านไปจเจริญกรรมฐ า, านไปก็ไม่ทราบว่าปัญญาเราเกิดหรือเปล่ามาต้องเจ็ดวันแล้วไม่เห็นเห็นอะไรไม่เห็นนิมิตเครื่องหมายอะไรเลยมันจะไปเห็นอะไรแล้วขอฝากท่านทั้งหลายด้วยด้วย ปัญญามันสะสมไว้ในเหนวยกิจตลอดเลยการ <c oughs> มีปัญหามันจะออกมาแก้ให้มีทุกเราก็ไม่ทุกจงตกในทุกจะเกิดความทุกข์ความยากความลำบากในชีวิตเราก็จงตกเรามีสติสัมภชัญยาเอาไปแก้ทุกนั่นแหละความสุข ก, ก็จะเกิดขึ้นในสติธรรมจากการเจริญพระกรรมาฐานอย่างนี้ จะลงกรรมาฐานเพิ่มผลผลิให้เกิดความรู้จริงรู้แจงเห็นจริงเห็นแจ้งและ ก, กไ็ได้ความคิดที่ดีได้สติปัญญาในทางแก้ไาปไปหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้ามันมีประโยชน์แต่ผู้ปฏิบัติทรรมไม่ใช่น้อย <c oughs> บางคนมาร้อยครืองหนึ่งก็ยากมนทีมาเดี๋ยวพูดโทรเดินเอี๊ขวาย่างขายยางมาา้ายาก พุทปาวปลายโทเหยียบนี่สองวันมีคนหนึ่งบอกพ่อฉันเดินขวาย่างไม่ได้ใช้ย่างไม่ได้ฉันเดินอย่างเนี้ยจะถูกไหมบอกว่าเขาไม่เดินกันเอาพระพุทธเจ้ า, าไปไวท้ที่เท้าโยมเหรอนะเอาพระพุทธเจ้ า, าไปไวท้ที่เท้าเหรอที่มียมทีหลายคนเสียดายดุกลางนามพระพุทธเจ้ า, าวไวท้ที่เท้าพุโทโธมันต้องอยู่ที่จิตใจ หายใจเข้าหายใจออกลูพุทธะตืน่นตื่นเถิดชาวไทยอย่ามัวหลับหลายลืมหลวงตื่นอย่างงงอย่า ง, งวยตื่นด้วยความสวยความดีความมีปัญญาตื่นเถิดชาวไทยพุทธะปละวัติตื่นคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นจึงเรียกว่าพุทธะพุโทโธจิปิโสภะกวาอลหางพุโทโธจิปิโสภะกวัตข้าพเจ้าไปดีแล้ว พัคขวาแปลว่าไปดีแล้วสุขโตไปดีแล้วพระคขวาคือองค์สมเด็จตั้มมาตัา้มเจ้าคือพิโทก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราจะได้เกิดแสงสว่างเกิดทั้งความรู้ความคิดเราจะได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เปตนต้นนี่เวทานามีสามกายานุปัสสนานั้นยืนเดินนั่งนอน เดี่ยวซ้ายแล็ขวาผู้เยยียดขานั่นคือกายานุปัสนาตั้งสติไว้ทุกอิยล็กเป็นการกําหนดจิตให้มีสติให้มีความรู้ให้มีความคิดคิดในเรื่องลูกนามขานห้าเป็นอารมณ์คิดว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีคิดให้มันเกิดปัญญาว่าอารมณ์ร้ายอารมณ์ดีจะแก้ไขอารมณ์เราได้อย่างไรวันนี้ขณะนี้กก็แก้ความโกรธ กำนวยโกรหนอโกรหนอเป็นตน้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ท่านเห็นให้ชัดเจนไอ้โทสะไอ้ความโกรธเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไอ้พยาบาทปองไลเขาเนี่ยไอ้ไก้โทสะไก้ความโกรธเนี่ยอันเดียวกันหรือเปล่าเหมือนกันไหมอย่างหลังต่างกันโดยพยานชนะแล้ว ทุกอย่างมันจะเหมือนกันได้อย่างไรพยาบาทฆาเฉพาะพยาเวนจองเวนจองตามกันกับไ้โทสะเหมือนกันไหยกลับไ้ลาภะเหมือนกันหมกับไ้โมหะมันเหมือนกันไหมท่านก็จะได้มีความรู้ขึ้นท่านจะได้มีความแจ้งใจขึ้นถ้าท่านเข้าใจตัวนี้เมื่อใดท่านสบายใจเมื่อ น, นั้น เพาะแทงค่าราทะคือความโกรธท่านจะมีผูกพยาบายข่าพยเวนอันใดแล้วโกรธเป็นตัวต้นโกรธแล้วมันก็ผูกเวนผูกผูกดำแล้วจึงถ้พยาบาลกันต่อภายหลังตามเวนช่างตามกันต่อภายหลังมาจากตัวเหตุนั้นเองคือโกรธมันเหมือนกันได้หรือเหปล่ากันได้มันทำไมใชยอันเดียวกันโกรธมาก่อนก็คือลาคะ คือโทสะไอลาคะคือกามฉันทะมันตัวเดียวกันหรือประการใดโทสะคือความโกรธแต่โรกรธใกล้โทสะเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าท่านจะตอบว่าก็ไร้ผูกพยาบาทฆ่าพยาเวนจองเวนจองตามกันผูกใจเจ็บจะไม่ตัวโกรธเหมือนกันไหมคนละแน่คนละมุมหรือเปล่า ตาทานจเจรินกรรมฐ า, านท่านจะรู้ถึงว่าไอ้โกรธเนี่ยต้องตีปัญหาออกมาให้มันแตกแยกออกมาคือการถูกโกรธ ถ, ถูกใจเจ็บถูกพยาบาทอิจฉาริษยาเดี๋ยวมันจะออกมาเข้ารอกของมันแน่นอนป้ากาดความโกรธได้แล้วความพยาบาทจะมีที่ไหนมันมีแต่เมตตามีแต่ความปรารถนาดีทุกคนไหนเลยอะทุกคนน่จะไปถูกใจเจ็บกับเขาดา่า ไม่แหละมันต่างกันนะนี่แหละความรู้ใช่ไหมได้จากรู้หนอรู้หนอคิดหนอคิดให้เกิดปัญญารู้หนอรู้ซึ่งรู้เติรลึกน้ําบางรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ท่านถึงจะทำกรรมฐานได้ไม่ใช่ฉันจะไปฉวานได้ยาที่พกแค่ต้นนี่ถามอย่าโยมจะตอบว่ายังไงติดตามผลไป ความโตกับความอะไกโตกับไอโชษาเดียวกันหรือเล่าเหมือนกันไหมตาตอบไปด้ว ย, ยตาโยมทํากรรมฐานได้โยมจะตอบได้อย่างสวยงามตีธรรมะขบธรรมะแตกบางค้งขบธรรมะไม่แตกตัวสติแปลว่าอะไรตาท่านรู้รจักคําว่าสติตัวต้นสติตัวกลางสติตัวปลายเมื่อใด ถ่าจะรู้จริงตติตัวต้นก็คือะระลึกก่อนตัติตัวกลางรู้ว่าะระลึกเหตุผอะไรว่าเราโกรธตัติตัวกลางมันจะบอกไอ้ชติตัวปลายก็จะบอกออกไปไปโกรธเขาทําไมล่ะไปเกลียดเขาทําไมไปพย า, า, าพยามบาฆ่าพยว่เย็นทาไมล่ะไอ้ตัวตัติตัวปลายมันก็เป็นตัวสัมปชัญญะปัปพะ สติมาสัมปทานโอสตินี้สำคัญเป็นมนโธรรมทำให้เรากาหนดจดจําะสัญญาอันความดีว่าในจิตใจได้กจะแยกประเภทว่าไอโธกับไอโทสะอันเดียวกันไหมเหมือนกันอย่างไรถ้าท่านจเจริญกรรมาฐานท่านจะได้ความคิดอันนี้ท่านจะได้ความรู้อันนี้ท่านจะได้ตีให้แตกแยกกันออกจากกัน ว่าเราโกรธเนี่ยไอเหตุผลมาจากนี่ทามาถึงโกรธมาจากไหนมาจากไอ้ตัวโมหะไม่มีปัญญามันก็โกรธง่ายใจร้อนโลนทนไม่ไหวมาจากตัวโมหะถึงจะให้เราโกรดตัวเองโกรธลูกโกรธเมียโกรธผัวมาเลียนหนังสือลูกโกรธคนน้นโกรธคนนี้เป็นตอนนีม่มาจากไหน ออมาจากไอ้ตัวโทสะไอ้ตัวกิเลสกู้โทสะมาจากไหนมาจากตัวโมหะเพราะไรปัญญามันจึงจะโกรธคุนนะั้นคนที่มีโมหะไรปัญญานั้นจะไม่มีทางที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตได้นี่จะสร้างปัญหาเพิ่มให้โกรธหนักก็ไปอีกสามารถที่จะปู่พยาบาลฆ่าเพียงเวงกันตลอดไปนายแนนอนตรงนี้ไปเรื่องสําขันมาก ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยการจะเอาอะไรเี่ยมีมาหลายคนที่เข้ามาปฏิบัติไม่ได้ผลอยู่เจ็ดมันมาลาสิหลวงพ่อคะเจ็ดวันนี้ฉันไม่ได้พองหนอยุบหนอแล้วแล้วจะทําะไมพุทโธจะเดินขวาย่างหรือเปล่าครูเขาสอนขวาย่างซ้ายย่างพองหนอยุบหนอแต่ฉันไม่ทำเพราะเหตุใดจึงไม่ทำมันทำยาก เลยเอาพุธโธเนยฉันไปวัดโนนมาเขาพุธโธเดินพุธโธเนี่ยดีกว่าอย่างนี้หลวงพ่อครับเอาทาดีก็ไปวัดโนนสิขวาย่างหนอนี่ปกติซ้ายย่างหนอปกติแล้วโยรรมอมทำยังไงฉันก็ขวาเนี่ยเป็นพุธแล้วก็เหยียบโธซ้ายพุธแล้วก็เหยียบโธ ตมาทามาก่อนแล้วสิบ ป, ปีหลวงพ่อในปากี่ข้อนแกนมาช้างไหมตมาอายุยี่สิบปีบว 3, ชสามพรรษาท่านบอกเธอนี่บาปมากนี่หลวงพอ่อเนปาทันยังดูเลยไม่รู้อายุเท่าไรแล้วท่านบอกบาปนะอย่าไปทำแล้วท่านยังบอกมาอีกบวชหน้าห้ามอย่าไปแห่ในเกดชิ้มาเป็นบาปยางไรแลง น, นี่หลวงพอ่อนป่า คุจะเป็นขีนาสบลหานทีณาศบอยู่ในอรัญญาวปาปมีจำนวนไม่ใช่น้อยลอยอยู่ทั่วทั่วป่าเรียกว่าหมดกิเลสตัณหาก็ลอยอยู่ไม่เกินนี่ละเราจึงได้ออกมาปฏิบัติพื่อึงได้ผลยืนหนอหครั้างก็ได้แต่ว่าเพาะในป่าคิดตรงไหนคิดตรงลิ้นเปรี้ยเทตามาได้จะพอหักมันมีสักตีอยู่ตรงนี้เลยเียว จิ้งตียังหายใจทางสะดือได้จึงได้ตำรามาสอนเด็กของประสบประการเรียกว่าพืชจีนัยเรียกว่าปัญญาที่ต้องประสบมาเองจากความลายในวันนั้นคือวันที่14ตุลาที่อทอดป่าเป็นประจําทุกปีมานั่นแหละเป็นวันอนุสรณ์ความตายของอาตมาที่คอหักตายและเราได้เพื่อนอันสนิทมิตรสหายสองคนเพื่อนตายคือธรรมะ ได้แกะสะ่สติฉันทะชาญญะเป็นเพื่อนที่จะได้แก้ปัญหาร่วมกันได้ไม่มีใครเขาช่วยเราได้แน่นอนขอเจริญพอรอย่างนั้นนี่แหละนักปฏิบัติทำไม่รู้จะพูดว่ายัางไงถูกนะท่านมาคุรลคุรละครเลีอยแล้วก็กลับไปเตียงเวลาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเนี่ยตมาก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รู้แต่เป็นผู้ปฏิบัติ และยังเป็นนักปฏิบัติอยู่ยังไม่เป็นครูใครได้ว่าปฏิบัติได้ไหนก็พูดให้โยมฟังเท่านั้นที่ทำได้ทำไม่ได้จะไม่พูดให้โยมฟังอันสูงสามารถเหลือวิสัยที่จะพูดให้โยมฟังได้เพราะเราทำไม่ได้เดชตามาจะกล่าวต่อไปอตาตมาทำได้แล้วจึงพูดให้ฟังมันจะชัดเจนขึ้นนี่เราได้จะหพ่อในตาถึางจะไปสร้างสูงเวรุวันสนแขก บัดนี้เด็กเข้าเต็มแนละ้วปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตได้อย่างดีที่สุดนี่เนี่ยเอากรรมาฐานไปแก้เงี้ยนแง่และแก้ไขทำให้คนเหล่านั้นมีปัญญาเอาไปใช้ประจำตัวของเขานี่แหละกรรมาฐานทีงได้ผลบางคนมาจิม้มจียมจามจามแสะเสียเสียจะจะเดินจงกรมทังหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงแค่ิปปปียี่สิบเลิกแนละ บอลจงกรมจิ้มจิ้มจามจามแล้วก็นั่งนั่งแล้วก็จามจาแล้วก็จิ้มจิ้มเลยทุกชิ้นก็ก็ะิมก็ะจิมเลยก็เจาะแจะเจาะแจะเจาะแจะเจาะแจะเกิดการเป็นคนเจาะแจะเป็นคมหาเลี่ยงแล้วก็เปลี่ยนเวลาไม่มีความสงบจิตเลยจัประการได้ออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วขอท่านสาวผู้ทนทั้งหลายโปรดพิจารณาในแง่คิดอันนี้บ้าง เชยืนหนอห้าพลังเกิดคิดอะไรไม่ออก <c oughs> ก็ลิ้นตีเนี่ยเอาไว้ทํำไมหายใจให้ ย, วยาวๆคนที่หายใจช้านี่ยโมโหแข็งใจร้อนถ้าหายใจใ ย, ยาวๆมันจะมีสติคิดเย็นมากไมยหลายประการอารมณ์ก็ไม่ร้อนอารมณ์เย็นถึงจะมีปัญญาอารมณ์ร้อนจะไล่ปัญญาลไายเหตุผลจะตัดสินใจได้ไม่แน่นอน ตัดสินใจไม่ได้แล้วแต่ตัดสินใจไวก็ไม่ได้ไวก็เสียหมดสําหรับใจร้อนใจทนไม่ไหวกระเพานี้ไม่มีปัญญาไม่ได้ผลางานที่กราวมาข้างต้นทุกประการมีเวทนา <c oughs> เราจะได้รู้เวทนาตั้มาได้มาปเป็นเด็กแล้วเขาพูดกันตามสลาวัดไปวัดบอกเบาๆฟังเขาสอนกระซิบเบาๆฟังเขาสอน ชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามองกองเผาเสมออยอเลญนเล้อควรทำพระกรรมฐาน <c oughs> ในไหนเราเกิดมาจะต้องตายอยียกันทุกคนไม่มีใครรอดพ้นจากความตายไปได้แล้วเวลาใกล้ตายญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอลัลอลหพระอัลลหรู้ยาีิฉุดคุณพระพุทธังเพราะกำลังเยทานาทุกกล่า เกิดเวทนาแล้วมันก็ทุกข์มันก็ฟุง้งเฟ้าจิตจะไม่สงบเลยไม่สงบนี่แหละจิตไม่สงบเวลาดวงจิตดับดับแต่ทำลายขันก็ไปนรกจิตใจก็สกโศกลามกไปนรกกันแนะ่แต่จิต ใ, ใจชั้นสะอาดอยู่ในบ้านและครอบครัวสามีภรรยา ปฏิบัติถวดมนต์ไหว้พระติดกวาออกแต่จะไม่บุตรก็ น, นักปราบมาเกิดใจสะอาดนักปราบมาเกิดใจกุกปลอกสัตว์นรกมาเกิดเทียงพ่อเทียงแม่ทาไม่จบว่าทำอะไรก็เทียงพ่อเทียงแม่ไม่มีมารยาคนที่มาจากนรกสังเกตได้จะพูดจาสามหามจะพูดจาไม่ระเบียบเรียบร้อยมาจากนรกเหตุนรกมันติดมา กพยายามจะด่าพ่อด่าแม่เสียงพ่อเสียงแม่ทาไมา่ตกว่าเพราะมาจากนรกมาเติบซาตนรกมาเกิดแล้วตาบ้านท่านมีสัตว์นรกมาเกิดเช้าสามคนท่านก็เจ้งแน่นอนมีแต่ผลานสมบัติหลานกิจาการไม่มาต่อเหตุาการให้บิด า, ามัรดาของเขามาจากนรกเศ ส, สนรกบุรุษคมรอยเลยก็กลายเป็นอมนุษย์ธรรม ไม่มีมนุษย์ยเสืะยะชาติชีวิตจะไม่มีธรรมจะเป็นกิจกรรมในครอบครัวได้อย่างไรเล่าขอเจริญพร อ, อย่างนั้นนี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ่ยเวทนากำหนดเราจะได้คิดถึงประหลาหางอะไรเมื่อกี้ก่อนจะมาหรชุมคนป่วยให้ออกที่แย่งอามานิถขอให้มาพบอัตมาแต่ตายก็ไม่ว่าขอให้มาพบ มื่ชัครู่นี้ให้กำลังใจไปแล้วให้สติปัญญาเขาไปาเข้าจำเปงมือกุศสอนเาขอใหม่ผสมอาจจะพื้นขึ้นมาแต่ไม่สามารถจะฟื้นคืนกลับดีขึ้นมาได้แต่จะต้องจากโลกไปก็ขอให้มีสติปัญญาอย่าหลงทางแต่พอตามไปในแถวท่านทั้งหลายให้กรรมฐานปี่เราเรียกว่าให้หึงทาง เราจะได้รู้ตัวเดินทางไม่พลาดผิดเดินทางถูกทิศถูกทางจะไม่เสียร์ตอเวลาแต่ประการใดนี่แหละเจ้พุทธเจ้าจึงสอนไว้ว่ามโนโบุกรทางก ร, ารรมมาธรร ม, มามโนเขถานมโนมยาหรือมโนบุกรทางกรรมมาธรรมามธรรมะทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้านี่แหละมีจิตเป็นหัวหน้าแน่นอนจะดีทั่วทุกที่จิตใจเรา เรามีสติสัมปชัญญะควบคุณจิตไว้ได้แล้วรับรองได้เลยว่าชีวิตขันจะแจ่มใสนี่แหละทำทั้งหลายมีจิตเป็นหัวหน้าใช่หรือไม่มนโนหรือจิตเป็นสิ่งที่สัาผัญมากจิตกลานุ ป, ปัสนนาสดิปัจฐานข้อที่สามจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอ่านอารมณ์รับรู้อารมณ์ไว้ได้เป็นเวลานานมันเทียบประทึกเสียงต้องก้มหนุนที่นิ้วปีนั่นคิดหนอ้อ คิดหนอตรงนั้นสิไม่ใช่ไม่ได้กาหนดเลยทำอะไรก็ไม่กำหนดท่านจะเกิดปัญญาได้หรือปัญญาติดกับตัวท่านอยู่แล้วแต่ท่านไม่เอาปัญญามาใช้ให้มันต่อปัญญาให้สูงขึ้นทำให้กองแก่ปัญหาได้่านก่าแก้ไม่ได้อีกมโนธรรมคุยจิตเป็นสิ่งที่สาคัญมากในตัวเองเพราะมันเป็นกำหนดพฤติกรรมหรือควิตของมนุษย์ ทั้งเป็นสิ่งที่กำหนดความเป็นไปของโลกด้วยจิตเตนะโลโกนิยติจิตที่ดีจะมีลักษณะสามประการจิตานุปัสนาติปทานธรรมานุปัสนาติปทานทำเป็นกุศลอกุศลเราจะรู้ได้ด้วยมนโนธรรมทางสามประการคือจิตที่มีสุขภาพดี จิตที่มีคุณาภาพและจิตที่มีสมัชภาพแต่จะเกิดสามประการนี้แน่นอนกำลังจิตสาคัญมากมีอยู่ในตัวท่านแล้วหรื อ, อยังจิตเป็นที่มีสุขภาพดีพสุขภาพจิตดีไหมจิตที่มีคุณาภาพดีไหมและจิตที่มีสมัชชาภาพดีหรื อ, อยังถ้ายางเจริญกรรมฐ า, านให้หนัก ทานก็ไม่มีจิตใจท่านอ่อนไววจริงไม่เป็นตัวของตัวเองเลยไม่เป็นผู้นำของตอนไหนเลยนะท่านจะมีปัญญาที่อยากแก้ไขปัญหาได้แางกล่าวแล้วนี่แหละการเจริญกรรมฐานต้องการมีลักษณะสามประการใช่หรือไม่จิตที่มีสุขภาพดีนั้นคืออย่างไรงท่านจะมีการต่อสู้กับเหตุผลนได้ดีมากจิตที่มีคุณภาพดี มันจะมีลักษณะอย่างนี้ทำอะไรก็ได้ประโยชน์ทาอะไรไม่มีทอษและจิตที่มีสมรรถภาพดีแข็งแรงอดทนต่อสู้กับการนานและหน้าที่นี่เนี่ยสมรรถภาพท่านจะได้จากการเจริญกรรมาฐานด้วยการกำหนดนั่นเองในฐานะที่ท่านทั้ ง, ทงหลายกำลังจะเข้าสู่ความเป็นผู้ปฏิบัติถึงนาน นะัปฏิบัติการคือกรรมาฐาน <S <S <ess> <S ก็ต้องเริ่มต้นก่อนที่จึตก่อนเสมอคือคิดหนอโกรธแล้วจิตมันโกรธก็เริ่มต้นที่จิตอีกโกรธหนอที่ลิ้นตีนะเสียใจยหนอดีใจหนอที่ไหนลิ้นตีหายใจให้ยาวๆจะอยู่ในลถก็ได้อยู่ในห้องน้ําประดับตะเกอรโกขึ้นมานั่นอยู่ตรงนั่นนะเอาก่อน อธิบายให้ท่านเข้าใจในวันนี้จะเข้าใจหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านละอ่ตมาพยายามอธิบายให้ลึกซึ้งเหรอพื้นฐานในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการทำงานที่ดีคือกรรมาฐานทำงานที่ดีคือต้องมีความรู้ความรู้ได้จากการปฏิบัติธรรมความคิดที่ดีเป็นสำคัญ ความคิดที่ดีเป็นสงคาญกำหนดคิดหนอคิดหนอใช่หรือไม่เพราะในการทำงานทุกอย่างจะนำความรู้ความคิดของเราไปสู่งานการปฏิบัติงานทั้งโลกทั้งธรรมเท่านั้นนะที่จริงแล้วการจะเป็นนักปฏิบัติจะเป็นนักโลกนักธรรมก็าตามเช่นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยนักออกแบบนักพัฒนาก็ต้องเริ่มต้ น, ตนการที่ความรู้เริ่มต้นกันที่ความคิดด้ยวยการทั้งสิ้นใช่หรือไม่ประการใดเริ่มต้นตรงนั้นทั้งนั้นถ้าเรามีความคิดดีสติดีสมรรถภาพดีสุขภาพดีโยมจะมีปัญญาแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้น เคยพูดมนวันพระก่อนแล้วนกไม่มีขนขนไม่มีความรู้คื่อนสู่ที่สูงไม่ได้นกต้องมีขนขนต้องมีความรู้ถึงจะขึ้นสินสู่ที่สูงได้ใช่หรือไมก่การผู้ปฏิบัติทันทั้งหลายหร่อ น, นี่ลนะนกไม่มีขนก็บินไม่ได้ขนไม่มีความรู้ก็ขึ้นสูงไม่ได้มันก็มุมดลู่ลงไปมุดตามลงไปมุดตามลงไป พาสิกีนวะ่าอันหมายความว่านี่พาสิจีนความรู้ที่ดีจะทําจิตของตอนให้สูงขึ้นความรู้ที่ดีจะทํำจิตของตอนให้สูงขึ้นเราไม่มีความรู้อะไรเลยปฏิบัติทำก็ไม่ได้รู้หนอรู้หนอก็ทําไม่ได้ไม่สามารถจะให้จิตของตอนขึ้นที่สูงได้ชัน ด, ดนะนาบยศและตําแหน่ง อาสูงขึ้นอันเป็นผลพอยได้ผู้ที่จะเป็นนักปฏิบัติธรรมและนักทางานต้องต้องลักในความรู้ที่มันเกิดจากจิตของเราเกิดความรู้จริงแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาการทั้งด้านอ่านด้านเขียนด้านเรียนวิชาตั้งใจแสวงหาทุกเวลาตลอดไป ยิ่งรู้มากรู้แจ้งรู้กว้างรู้ลึกรู้สูงมากเท่าใดกอยิ่งเป็นประโยชน์มากเท่านั้นแหละหนอไม่มีอื่นใดแล้วท่านขาที่ทนทั้งหลายวิธีการที่จะได้มาซึ่งความรู้ไม่อสี่ประาการที่ทานเจริญสติปฐามสีนี่เอง แต่จเจริญสติปัฏฐาน4ีก็จะได้ทางเผยเป็นภาษาไทยหัง่ายข้จเจริญสติปัฏฐาน4ีเนี่ยดีที่สุดแล้วเป็นทางใชยเอกของพระบรมโยคเทจือชี้แกลงแสดงไว้เป็นเหตุเป็นผลนีนซึ่งความรู้มี4ีวิธีจะเรียงลำดับให้ท่านฟังจากง่ายไปหายากดังนี้เงความรู้จากจากการจำ การปฏิบัติกรรมฐานจะเกิดจําแม่นทําอะไรจําแม่นเห็นหนอเห็นหนอเห็นด้วยตาปัญญาจําแม่นอ่ะจําทั้งตาเสียงหนอเสียงหนอจําได้แหลกแม่นทํามะที่จําแม่นเพราะทา่านมีสมาธิดีแต่เสียใจก็ท่านด้วยหน้าปฏิบัติไม่เคยกําหนด ไม่เคยใช่จิตที่มีประโยชน์เลยนี่อีกาก็เดิจงกรมกับนั่งอย่างเดียวไม่มีการเจริญสติปัฏฐานสีให้มันครบองค์และวงจอรอแต่ประการใดไม่สามารถจะครบวงจอนั้นได้มีความหมายอย่างนั้นประการหนึ่งนี่เป็นหลักํำคัาถ้าโยมเจริญกรรมฐานหนึ่งความรู้จากการจำจาแม่นจำเรียกว่าสั ญ, ญาจะจาแม่นที่สด ขอจเจริญพรอย่างนั้นตาเห็นก็จำนะหูได้ยินก็จำตมูกได้ถึงก็จำดินลับรถเปรี้ยวหวานมันเท่ก็จำกาช้ำผัารลอนหนาวก็จำอ่อนแข็งก็จำเนี่ยมันจำได้นะถ้าท่านมีสมาธิดีถ้าไม่มีสมาธิท่านจะจำอะไรไม่ได้บางคนก็จำเมียไม่ได้จำผัวไม่ได้ยึดเลยเลยฉับสนไปกันยาย สัญญาความจํานี้ได้จากการเจริญธรรมฐานแน่นอนที่สุดแต่จะไม่เลอะเลือนและจะไม่เลือนเลอะจะไม่เลอะเทอะจะไม่ฉกปลอกจะมีแต่ความสะอาดถึงเท่าทะเลแต่ชลาชลับทานอาหารก็ไม่มูมามไม่พุ่มฟ้ามสะอาดตลอดเลยการนี่เนี่ความรู้ได้มาจากความจําจากธรรมฐานความตามปกติความรู้จะ มาสู่ตัวเราเสมอเช่นตายลกตายลกูกอูได้ยินเสียงจําได้ไหมเสียงหนอเขอด า, าขดาา่าเราเว้ยเขาด่าแล้วแล้วจะาคาเสียงหนอมึงด่าใครวะมึงดาา่าใครมึงดาา่าใครมึงดาา่าใครกูด่ามึงไม่ได้ด่ากูนะมึงเอาไปให้โชคเลย เอาไปเนี่ยความรูุ้่งเกิดความจําเนี่ยแมวไม่ไมค่อยอยากจําไปจําไอ้เรื่องที่ไม่เป็เรื่องเป็นลาวไอ้เรื่องให้จําไม่จําไปจําไอ้เรื่องเลี้ยวไหลหลาหล้วมหล่อแหล่เลีวหลไปจําทํำไมบางคนนีหมาก็เยอะแยะเนี่ยเขาสะอาดเยอะแยะไม่ไปดูไปดูที่สกปรกไปเลิกไอ้ของกระ ย, ย, ยับอยู่ในระวังนะผลปิดใจสกปรกมันชอบสกปรกด้วยกันไอแ้แมลงพึ่น จับมาแรงวานจับมาขังกันเอามาขังไว้นะเอามาขังเยอะเลยให้รวมกันรับลอยแล้วให้มาแรงวานไปไหนมาแรงวานไปไหนรถไปอยู่ตรงไหนนอ น, นแหนมันจะไปหลังช่วงก่อนมาแรงขึ้นจะไปไหนมันอยู่ที่ไหนอย่งังไงเยอะ มาแรงพึ่งมาไปต้อมอุจจาระเหรอ เ, เพราะอะไรฮะโอ้ใครยายสอบได้ที่หนึ่งคโยสเป็ตจำไหมนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายความจำได้มาจากเห็นรูปตาให้รูปจำหูดียินเสียงจ ำ, จำกระมูกได้เพียงจำมีน้นบมดจำจำได้ทั้งนั้นมีสมาธิดีมันก็จำได้ของดี ผู้ที่จําจอะไรไม่ค่อยจะได้หรือจามอะไรไม่ได้เลยก็ถือว่ามีความผิดปกติคนที่จําอะไรไม่ได้เนี่ผิดปกตินรับขาดอะไรรู้ไหมไม่ปกตินี่มันขาดอะไรขาดสติฉัมชัญญะไม่เป็นคนปกติจะจําอะไรไม่แม่นบอกควรทานแล้วก็ไมว่าไม่จะทาน กินแค่ตอนปรุงพริกเลยกลายเป็นเบาหวานไปตายไปแล้วนี่ความจามีใครหรือไม่ที่จะมาพูดในวันนี้ถูกต้องหรือเปล่าไม่เคยอยากไม่อยากจับจับบางทีบางคนมาเจอกันหน้ากคุณหน้าค้าคุณหน้าจำหนูได้ไหมบางคนก็บอกว่าจำผมได้นะครับเขาคอนพัก คนอย่างเธอเนี่ยไม่อยากจะจําแล้วเรบอกจำไม่พ้อได้ไหมโอ้ยเราพ้อแม่นมาลูกยางสวยๆอย่างนีมม้มีคนเดียวม่องค์เดียวบางคนบอกว่าเนี่ยหนูจํำตาไม่ได้แล้วอยู่ที่เชีงยงใหม่คนประเภทนี้ไม่อยากจะจำที่นาพุตีเลยโจดเลยเป็นกําลาไม่อยากจะจํา มันคงมีดูมันถึงจะจําไม่ได้ใช่ไหมนี่แหละท่านสาวุูทนทั้งหลายนี่แหละกรรมาฐานถ้าไม่เกิดความจําเกิดความรู้ถึงจําได้แต่ยอมไม่เคยกําหนดไม่เคยกําหนดเลยบางทีขวายางหนอร้าย่างหนอรถ เ, เข้ามาหนอ เหลียวหนอะแฟนกูน่าจะมาเยี่ยมกูหนานี่อย่างนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอยไปจำไอ้เรื่องพนี้ควรจะตัดประเดี๋พ่อกังวลถึงไปจำไอ้เรื่องพนี้มาทําไมเนี่ยจมาทําไมอาจารย์มันเนี่ยมาอยู่ในวัดหลายวันเนี่ยจําอะไรได้มาจำแฟนได้ไหม นึกว่ามาอยู่มาจะลืมแฟนไม่จำแฟนเลยเห้ยได้เห็นข้ามาสวยๆเนี่ยคลิกยังใหบ้างไหมงั่นเหรอและนึกชอบเขาบ้างัหมอ๋อนึกว่าเ้าเป็นเพื่อนทุกกับเราเลยก็ไปร่วมทุกกับเขาเนแล้วไปเลื่อนบ้าขาเหรอ มาเดี๋ยวไปนอนรวมกันนะเออเข้าใจตอตตอเป็นเนี่ยตอเป็นถ้าได้อ๋อเห็นแล้วธรรมดาก็เหมือนเขาก็เป็นเพื่อนทุกข์กับเราเราจะไม่มองมองไหมมอง้น่าเขาก็มีความทุกขช่วยได้ไหมเยช่วยได้เอาละขอเสนอแนะเลยถ้าสาวๆอย่าไปช่วยมัน ถ้าแม่ไม้ผัวเขาตายมีลูกตั้งหลายคนควรช่วยมาเป็นพิเศษเอาไม้ใช่ผัวเขาไม่มีเขาไม่มีที่เพิ่มในบ้านมันยังมีเปลไม่เป็นไรเขาไม่ว่าแล้วเขาไม่ได้มาไม่ได้มาใช่ไหมถามสิจิตถึงเขาองไหม ฮะเด้ๆครับที่ว่าเขาก็แคร์เพื่อนทุกของเราเนี่ยโอ้โหแม่ต้องเจอคนนี้คนเดียวจะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะให้โลโลสามารถหมดเที่ยวหมดงานแล้วเหรอยังมีไหมขาถามจริง ยังมีีิดมีงานไหมมีแต่ดังอลมเอาละตอบโปร่งแต่งถูกต้องถ้าบอกไม่มีเลยโกหกนี่แผดดังอลมใช่ไหมบับงอลมก็คือทัดใช่ไหม <laughs> ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากพระครูภาวนามีไหมล่ะ มีไหมแบบเดียวกันเนี่ยบางอารมใช่ไหมตอบสิโอนี่ก็ครูภวนาท่านบอกมีความลับสุดรอดบอกใครไม่ได้เพราะว่าท่านมีแฟนมากบอกไปเยอะแฟนก็จะว่าเพราะลูกศิษย์เยอะเนี่ยนะเนี่ยท่านทั้งหลายเอ่ย เมื่อมีความรู้มาสู่ตัวเราจา ก, ก ร, รมาถามแล้วก็จะต้องเก็บความรู้นั้นไว้สะสมไว้ในตัวเองคิดหนอรู้หนอสะสมความรู้ไว้ซึ่งนิยมเก็บกันดังนี้ก็อเก็บไว้ในสมองของตอนก็มีบ้างที่บอกให้คนอื่นช่วยจาไว้ให้ก็มีบ้างให้คนอื่นช่วยจา ส้าหรับมันมากหรือการขอจดบันทึกสิ่งนั้นไว้พอบัจทุบันปัจจุบันนิยมเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เมื่อต้องการความรู้หรือข้อมูลนั้นก็เรียกออกมาดูได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ไปที่ารณาที่ายแต่การเก็บความรู้ไว้ในบันทึกหรือคอมพิวเตอร์นั้นเราก็ไม่อาจจะนำติดตัวไปได้ทุกที่ การเก็บความรู้ไว้ในสมองเป็อย่างเป็นสิ่งจำเป็นอยู่เก็บเขาไว้สะสมเขาไว้คือปัญญาเพราะต้องการนำมาใช้ที่ไหนเวลาใดก็สามารถระลึกขึ้นมาได้ทุกขณะรูกหนอรูกหนอเดี๋ยวมันจะออกมาให้เราแก้ไขปัญหาติดตัวเราไปได้ทุกขณะคือกรรมฐาน ผู้มีความจำดีย่อมได้เปรียบหลายประการมีสมาธิดีได้เปรียบหลายประการโดยเฉพาะท่านที่เป็นนักธุรกิจประกอบการค้าหรือจะเป็นครูบาอาจารย์นั้นถ้าความจาไม่ดีความจำเรียนก็เห็นจะพูดดีได้ยากหรือจะทำงานได้ดียากเพราะจำข้อมูลอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระทางสอนระกมาฐานหรือพระที่การเทศก็ต้องจาเหมือนกันทั้งนั้นแต่บางองค์ท่านก็มีปัญญาจำได้มากมายบางองค์ท่านมีปัญญาจำได้น้อยเพราะฉะนั้นหัวข้อสำคัญก็คือจิตตั้งสติปัญญาอาจะถูกถามแล้วตอบไม่ได้หรือแก้ปัญหาให้เขาไม่ได้แล้วจะเป็นพระ ก็มาสามารถจะรู้ของจริงคือปัญญานั่นแะคือตอบปัญหาโยมไม่ได้โยมมีแต่ปัญหามาถามเราก็ต้องใช้ความจําจากสมาธิภาวนาไปแก้ปัญหาโยมได้ความจําที่มีคุณภาพนั้นคือจําได้แม่นยําจําได้ละเอียดจากคิดละเอียดสุขุมคำภีรภาพและจําได้นาน สมองของผู้ใยมีความสามารถได้ดังกล่าวบันทึกไว้ได้มากถือว่าผู้นั้นความจำเป็นเลิศแต่ผู้ที่สมองคือจำไม่ได้ไม่ดีนกะ <c oughs> สมองเสื่องแก่มากก็จะจำอะไรไม่ได้ก็สามารถคนที่จำได้มาสามารถพัฒนาความจำของตนได้มากคอธีนาสังเกต สิ่งที่จะช่วยให้จาได้ดีมีดังนี้อสิ่งที่เป็นลูกทำเป็นลูกธรรมจะจำได้ดีกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมขอการนำมับมาชี้แจงให้ท่านฟังเสมอจะทำให้ไม่ลืมสิ่งนั้นมันกำหนดจดจำมันฟังฟังบ่อ ย, อยดังที่คนโบราณว่า ของกินจําตรงนี้หน่อยแามาจามาําคนโบราณได้ตั้งแต่สมัยยายของกินไม่กินมันเป็นยังไงไม่กินแล้วเป็นยไงของกินนี่ถ้าไม่กินมันจะเป็นยังไงไมันจะเป็นยังไงนะของกินถ้าไม่กินก็ไม่ถูกต้องไม่กินมันก็ไม่อิ่ม ถ้าไม่กินแล้วมันก็หนาวหนาวไหมหแต่เดี๋ยวนี้มีตู้ย็นเก็บ嘛นานก็หนาวเข้าชาเข้าชาเาเนี่ยทำทั้งหลายเอ๋ยมันก็หของเก่าไม่เล่าเป็นไงงานลืมแต่ไม่ลืมอยู่อันนึงทำไมก็ไม่ลืม อะที่คนจะแก่ลืมไม่ได้ไม่ยากอลไไม่ใช่คู่ท่มันคากว่านี้ที่เขาคยยืมเงินไปไม่ลืมหรอกควงถูกด้วยสิบางทีจะตายแล้วอลหังอลหังนายายอลหังเขาไปแบ่งข้าวกันเออมันได้จิถังว่าอีหมา อัลลหัเดี๋ยวจะตายมดทีงจแม่ยืมเงินไปจแม่ราชการจำแม่ตรงไหนจแม่ตงไหนราชการเเดนออกโอ้ยเนี่ยท่านาุชนทงหลายเลยของิงแบงจริงฮะยาวงกัน เดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็หนาวเชิญมากินให้หมดนี่ผู้ปฏิบัติทำทั้งหลายเย็นทานหรือยังเนี่ยทานหรือยังนะนเพราะอะไรไหรือจะจ่ า, จาไว้เหรอแต่ทานคืนได้ใช่ไหมนะน ไ, ไม่ได้จะแต่ถ้าจะทานก็ได้ดนะเดี๋ยวถ้าจะ อ๋อเอาอยางงั้นก็เอาเนี่ยทัานทั้งหลายเอยสิ่งที่มีคุณหรือมีโทษแก่ตอนนั้นเนีม่มันก็มีอย่างนี้ยถ้าเราจําได้คือลูกประธรรมไม่ใช่นามาทำนามาทำมันอยู่ภายในจิตที่มันต้องฝังลึกบันทึกเทปหลักฐานทุกสิ่ไว้สิ่งที่มีคุณหรือมีโทษแก่ตอนหรือสิ่งที่ตนทําเองจะจําได้ง่าย สิ่งที่คนอื่นทําจํายากถ้าเราทําเองจะจําได้ง่ายที่เราทําเองนะก็ขอฝากเจริญพรจําได้ไง่ายมากต่อแต่ละคนมีวิธีในการจําต่างกันเช่นบางคนเห็นด้วยตาจึงจะจําได้แม่นยำเห็นอ๋อบางคนจำทางลูกบางคนได้ยินเสียงจึงจะจําได้แม่นยำเมื่อรู้ว่าตนถนัดในการจํา โดยวิธีใดก็ใช้วิธีนั้นให้มากที่สุดเช่นเสียงหนอเสียงหนอจําความตั้งใจและความสนใจจะช่วยในการจําได้ดีจึงต้องมีสมาธิเสมอต้องมีสติสลมัจัญญาเสมอคือมีสมาธิเสมอสุขกระภาพกายที่ดีจะช่วยให้จําได้ดี